สวาสาโตภกวตาธรรมโมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัดดีแล้วสั้นดิธิโกอันภูปฏิบัติภูดได้บรรลุมือเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลา เอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาปัจจตังเวดิตะโอวินยูหิอันวินยูคือภูรูพึงรู้เฉพาะตนทุกคนพึงเป็นวินยูคือภูรู ด้วยการทำสติความระลึกได้ปัญญาความรู้ทั่วถึงให้มันเกิดขึ้นที่จิตใจของตนเองให้จิตใจนี้ประกอบด้วยธรรมะคือสติและปัญญาก็จะทำให้ เป็นวินยูคือเป็นภูรูและวินยูคือภูรูนี้ก็คือจิตนี้เองและจิตนี้เองเป็นวินยูคือภูรูโดยที่มาประกอบด้วยธรรมคือสติและปัญญาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอบรมจิต อันเป็นจิตภาวนานี้โดยตรงก็คืออบรมให้ประกอบด้วยธรรมคือสติและปัญญาถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมนี่ก็เป็นวินยูคือภูรู้มีได้และเมื่อเป็นวินยยคือภูรู ดังกล่าวก็ย่อมจะเป็นภูน้อมธรรมะเข้ามาสู่จิตหรือน้อมจิตสู่ธรรมะที่เป็นกุศลทั้งหลายและย่อมจะเรียดจิตนี้ให้มาดูธรรมะ ที่ปรากฏผลขึ้นในจิตและย่อมจะเป็นภูที่ได้เห็นได้รู้ธรรมะอันเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเป็นสัจจะคือความจริงที่และย่อมจะ เป็นภูที่ได้เห็นได้รู้ธรรมะอันเป็นอาการิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเป็นสัจจะคือความจริงที่แน่นอนเที่ยงตรงเป็นความจริงที่ไม่เกิดไม่ดับ คือเป็นความจริงอยู่เสมอเป็นความจริงที่ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงและเป็นความจริงที่บริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากเครื่องยึดถือทั้งหลายว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานี่คือวินยูซึ่งจะเป็นผู้ที่เห็นธรรมเอง คือสัจจะที่เป็นตัวความจริงนี้และก็จะเห็นว่าธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพุทโธคือเป็นภูตัสสรู้แล้วจริงธรรมโมธรรมะที่พระองค์ตรัสสรู้นั้นเป็นสัจจะธรรม ธรรมะที่เป็นของจริงของแท้และสังโคมูแห่งผู้ฟังของพระภูมีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัตินี้แล้วตามรอยพระยุคคละบัตของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้ตรัสรู้แล้ว ทรงนำมาแสดงสั่งสอนเพราะฉะนั้นวินยูคือผู้รู้นี้ทุกคนจึงควรปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นคือเป็นผู้รู้ขึ้นก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระธรรมได้เห็นพระสงฆ์ด้วยการที่มาปฏิบัติ ทำสติและปัญญาซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นกุศลนี้ให้บังเกิดขึ้นในจิตให้จิตประกอบด้วยธรรมะที่เป็นกุศลนี้คือสติและปัญญาการที่จะมาปฏิบัติทำให้เป็นวินยูขึ้นดังนี้ก็ด้วยทำสติในสติปัฏฐาน ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้แต่ก็จะต้องรู้จักตัวสติและกับปัญญาที่ต่อกันไปก็รู้ที่จิตนี้เองเพราะสติที่แปลว่าความระลึกได้นั้นก็หมายถึงตัวความกำหนดของจิตในนิมิต คือเครื่องกำหนดอันจิตนี้ย่อมมีนิมิตคือเครื่องกำหนดอยู่ด้วยกันก็คืออารมณ์อันได้แก่เรื่องทั้งหลายที่จิตคิดที่จิตดำริที่จิตหมกมุ่นถึงเป็นเรื่องรูปที่ตาเห็นบ้าง เรื่องเสียงที่หูได้ยินบ้างเรื่องกลิน่นเรื่องรสเรื่องผดิะภสิ่งถูกต้องที่จมูกลิ้นและกายได้สัมผัสบ้างเรื่องของเรื่องทั้งหลายนั้นเรียกว่าธรรมะเหมือนกันที่มโนโคือใจ ได้คิดได้รู้ต่งตางๆบ้างเรื่องเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์มีอธิบายดังที่กล่าวแล้วและจิตนี้ก็รับอารมณ์คือเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ที่ประสบพบผ่านทางสวารทั้งหก คือตาหูจมูกเล่นกายและมันละคือใจดังกล่าวมเมื่อเป็นเรื่องที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็บังเกิดราคะความติดใจยินดีหรือโลภะความโลภอยากได้เมื่อเป็นเรื่องที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจแต่เป็นเรื่องที่กระทบกระทั่ง ก็บังเกิดความประทบประทงหงุดหงิดขัดใจโกรธแค้นจนถึงม่งร้ายหมายทำลายเมื่อเป็นเรื่องที่ชวนให้หลงไหลติดอยู่ก็เกิดโมหะคือความหลงไหลติดอยู่เหล่านี้เรียกว่ากิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองของใจที่เข้ามา สู่จิตใจเพราะเหตุที่จิตนี้เมื่อรับอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายแล้วก็ยึดถืออารมณ์คือเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นบางส่วนบ้างทั้งหมดบ้างว่าน่าชอบบ้างไม่น่าชอบบ้างหรือเป็นกลางๆแต่ก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงก็เกิด ความไม่รู้ตามเป็นจริงก็ชื่อว่าเป็นโมหะคือความหลงฉะนั้นจิตจริงประกอบอยู่กับอารมณ์และกิเลสอารมณ์และกิเลสนี้ก็มาเป็นอกุศลธรรมคำวมะฝ่ายอกุศลที่บังเกิดขึ้นในจิตเมื่อเป็นเช่นนี้ก็พาให้ เกิดความทุกข์ซึ่งเป็นทุกขเวทนาต่างๆเพราะกิเลสทำให้กายนี้ก็ไม่สงบแสดงไปต่างๆตามอำนาจของกิเลสพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนสติปัฏฐานที่มุ่งถึง ตรัสสอนให้จิตนี้ละนิมิตคือเครื่องกาหนดอันเป็นที่ตั้งของกิเลสคืออารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของกิเลสเหล่านั้นมากาหนดในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็คือกาหนดกายและใจ ของตนเองนั่นเองปล่อยจิตเสียจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายนิมิตที่เป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายก็คืออารมณ์ทั้งหลายดังกล่าวนั้นแต่นิมิตที่เป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลายอันตรงกันข้ามก็คือกายเวทนาจิตธรรม มากำหนดกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็คือว่าเป็นนิมิตคือเป็นเครื่องกำหนดของจิตจิตที่กำหนดนี้เองเรียกว่าสติ mm hmm. และเมื่อจิตกำหนดเป็นสติขึ้นก็ยอมจะระลึกได้นึกได้ถึงกายจิตกำหนดนั้น จึงได้แปรสตรีกันทั่วไปวรรลึกได้แล้วก็คือตัวกำหนดนั่นเองรวมอยู่ด้วยดังจะพึงเห็นได้เป็นตัวอย่างว่ากายนั่นก็คือกายอันนี้ซึ่งประกอบด้วยลมให้ใจเข้าออกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถประกอบ เ, เดินก็เกาไปข้างหน้าบ้างถอยไปข้างหลังบ้างเป็นตน้นอาการทั้งหลายในกายนี้มีผมขนในะฟัห น, นังเป็นตน้นรวมเข้าไปก็เป็นธาตุสี่ส่วนที่แข็งแข็งก็เป็นบัตวีธาตุธาตุดิดดนส่วนที่เหลวไหลก็เป็นอาโปธาตุธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่น ก็เป็นเตโชธาติวัโสุิพัฒนวัก็เป็นวายโยธาตธาตลมในที่อื่นมีแสดงอีกธาตุหนึ่งคืออากาศธาตุช่องว่างก็คือบรรดาช่องว่างทั้งหลายในกายนี้ก็เป็นอากาศธาตุช่องว่างเมื่อธาตุเหล่านี้ยังคุมกันอยู่อาการทั้งหลายในร่างกายนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาการต่างๆมีผมผลในฝันหนังเป็นต้น อิริยาบถต่างๆก็มีขึ้นลมให้ใจเข้าออกก็มีหายใจเข้าให้ใจออกกันอยู่แต่เมื่อธาตุทั้งหลายนี่แตกสลายร่างกายนี่ก็กลายเป็นศพไม่มีลมให้ใจไม่มีความเคลื่อนไวหวเป็นอิริยาบถ าการทั้งหลายของผมขนและฝุนหลังเป็นต้นก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ประทัดทั้งสีที่คมมันก็แตกสลายในร่างกายนี้เมื่อเป็นศพทีแรกก็ยังคมกันอยู่ก้อนเล่าเปื่อยไปในที่สุดจะ เ, เป็นกระดูกผุพ่นไปหมดถ้าหากว่าจิตไม่กําหนดดูกายนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กําหนดดังที่กล่าวมาเรื่อยๆนี้ ก็นึกไม่ได้ถึงกายอันนี้มีเหมือนไม่มีเหมือนยังลมหายใจเข้าออกทุกคนไม่ได้กำหนดก็นึกไม่ได้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกอยู่หายใจก็เหมือนไม่หายใจแต่สาหากว่านำจิตมากำหนดดูเห็นดูลมหายใจกำหนดอยู่ที่ลมหายใจที่เข้าออกแม้จะไม่เห็นลมหายใจเรากำหนดที่ จุดที่ลมกระทบหรืออาการของร่างกายหายใจที่เคลื่อนไหวก็จงจะรู้ได้ไว่าหายใจเข้าหายใจออกตัวรู้ที่กําหนดคือกําหนดรูปนี่แหละคือสติมีอาการที่นึกได้และลึกได้ว่าเราให้ใจเข้าหรืให้ใจออกและสติดังที่กล่าวมานี่ก็มีลักษณะเป็น กำหนดมีลักษณะเป็นรู้กำหนดอันใดก็รู้อันนั้นเมื่อกำหนดที่ตัวเองก็รู้ที่ตัวเองคือรู้สิ่งนั้นที่ตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจึงมีจำแนกออกเป็นสองสติความระลึกได้สัมปัญญะความรู้ตัวแต่อันที่จริงนั้นก็รวมกันอยู่เช่นว่า ให้ใจเข้าอันหมายถึงตัวเราเองให้ใจเข้าก็ตั้งสติกำหนดการให้ใจเข้าของตัวเองฉะนั้นเมื่อให้ใจเข้าก็ตั้งสติกำหนดรู้ว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกก็ตั้งสติกำหนดรู้ว่าเราให้ใจออกตัวกาหนดเป็นสติ เมื่อให้ใจเข้ากําหนดว่าให้ใจเข้านี่เป็นสติรู้ว่าเราให้ใจเข้านี่เป็นสมัมชัญญาเมื่อให้ใจออกกําหนดที่การให้ใจออกก็รู้ว่าเราให้ใจออกตัวกําหนดเป็นสติตัวที่รู้ว่าเราให้ใจออกนั่นเป็นสมัมชัญญาคู่กันอยู่ดังนี้จะนั่น ในการเรียกแยกเป็นสองก็เป็นสติหนึ่งสัมชัช ญ, ญ์ะหนึ่งเมื่อเรียกรวมกันก็เป็นสติอย่างเดียวแต่ก็หมายถึงมีสัมชัช ญ, ญ์ะคือรู้ดังที่กล่าวนี้รวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการที่มาตั้งสตรกำหนดดูกายให้รู้กายจะ ก, กำหนดกายส่วนไหนก็ได้ก็ให้รู้กายส่วนนั้น ว่ากายมีอยู่ดังนี้เป็นสติปัฏฐานในข้อากายและเมื่อกําหนดดังนี้เวทนาก็ยอมจะปรากฏ ต, ต่อเนื่องกันก็ให้กําหนดตัวเวทนาที่ปรากฏ ต, ต่อเนื่องกันนี้สุขก็ให้รู้ทุกข์ให้รู้เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ให้รู้ก็เป็นเวทนาสุปสนาปฏิปัฏานและ จิตก็ยอมจะปรากฏ ต, ต่อเนื่องกันเราเวทนานี่เองก็ปรุงจิตปรุงจิตให้ชอบบ้างให้ชังบ้างให้หลงบ้างคือถ้าเป็นสุขเวทนาก็ปรุงจิตให้ชอบเป็นราคะติดอยู่แต่เป็นทุกขเวทนาก็ปรุงจิตให้ชงังก็เป็นปฏิฆะหงุดหงิด ขัดเคืองโกรธแค้นจนถึงมุ่งทำลายล้างผลาดแต่เมื่อเป็นเวทนาที่เป็นกลางกลางไม่พิจารณาให้เห็นว่าเป็นสิ่งเกิดดับก็เป็นความหลงอยู่ในเวทนานั้นคือไม่รู้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้กำหนดจิตเมื่อจิตเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้น และธรรมะที่ในจิตก็เนื่องอยู่กับจิตนั่นเองเมื่อกําหนดจิตก็ย่อมจะเห็นธรรมะในจิตที่เป็นอกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างอันเนื่องกันไปจิตธรรมะนั้นเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นเป็นอกุศลก็ให้รู้เป็นอกุศล เ, เป็นกุศลก็ให้รู้กุศลก็เป็นเวทนานุปัสนาสิปทานกิตตานุปัสนาสิปทาน ทำมานุปัสสนาสัตย์ระติดต่อกันไปโดยล้หลับแต่ในเบื้องต้นนั้นกำหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่งให้เป็นสมาธิอยู่ในข้อนั้นดังนี้ก็เป็นการทำสถิปัฐานเพื่อสมาธิและเมื่อกำหนดให้เห็น ลักษณะของกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปอยู่ให้เห็นเกิดดับดังนี้ก็เป็นการเจริญสติปัฏฐานปฏิบัติสติปัฏฐานเพื่อปัญญาหรือวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงและในการปฏิบัติทางปัญญานั้นหากปฏิบัติตามทางโพชฌงค์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ เป็นหลักในการปฏิบัติทั้งทางสมาธิและทั้งทางปัญญาก็ยอมจะได้สมาธิประกอบกับปัญญาไปโดยลำดับคือตั้งสติกาหนดในกายเวทนาจิตธรรมให้ประกอบไปรรมาวิจัยคือเรียกเฟ้นธรรมให้รู้เหตุให้รู้ผล ของอาการที่บังเกิดขึ้นในจิตธรรมะที่ปรากฏขึ้นในจิตให้รู้เหตุให้รู้ผลในกายเวทนาจิตธรรมเมื่อมีธรรมวิจัยอยู่ดังนี้โดยจับวิจัยอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นเฉพาะหนาดังเช่นในบัทนี้อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นเฉพาะหนาของผู้ที่ มาอบรมกรรมฐานเมื่อตั้งใจฟังก็ย่อมจะได้รับอารมณ์อันเกิดจากเสียงที่แสดงธรรมทางหูโ ส, สตละก็คือหูสัท ธ, ธะคือเสียงที่แสดงธรรมก็คือเสียงสัมผัสกันก็เกิดเป็นสัท ธ, ธารมณ์อารมณ์คือเสียงเมื่อกําหนด จิตกำหนดอยู่ในสัท ธ, ธารมคือเสียงนี้ก็วิจัยคือจำแนกทำว่าอารมณ์คือเสียงนี้ก็มาจากหูและเสียงหูและเสียงนี้เป็นกายเราเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของกายมาประจวบกันจิตก็ออกรับเสียงเป็นอารมณ์อยู่ในใจ กิจกำหนดอยู่ที่เสียงเสียงเป็นลิมิตคือเครื่องกำหนดของกิจอย่างหนึ่งก็ได้ความรู้ธรรมะที่แสดงนี้จึงเป็นตัวปัญญาวัฒธรรมที่แสดงนี้กําลังแสดงเรื่องสติปัฏฐานแล้วก็แสดงชี้เข้ามาที่ตนเองของทุกคนนี้เองกายก็คือหูกับเสียง และหากจะกำหนดเวทนาตามลำดับกายเวทนาจิตธรรมก็คือความสุขหรือความทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขที่บังเกิดขึ้นในขณะที่ฟังนี้บางทีกายนี้ก็มีทุกข์บางสุขบางอากาศร้อนบางเย็นบางเมือ่อยบางไม่เมือ่อยบางจิตเองก็มีสุขทุกข์มีเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุข อึดอัดบ hmm. mm. er, ้างไม่อึดอัดบ้างโปร่งบ้างไม่โปร่งบ้างสุขบ้างทุกบ้างก็เป็นกลางกลางบ้างแต่ถ้าหากว่าพอใจในธรรมก็เป็นสุขถ้าไม่พอใจในธรรมก็เป็นทุกข์ก็มีทุกข์ไม่สุขเป็นกางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่ดังนี้ตัวที่กินสุขกินทุกข์กินกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็คือจิตนี้เอง นำพังเวทนาที่มันเกิดขึ้นนั้นก็สักได้ว่าเวทนาแต่ว่าตัวที่กินเวทนาก็คือจิตนี้เองคือรับเวทนารับสุขรับทุกข์รับลกลางไม่ทุกข์ไม่สุขแลว้วก็ยังมีความชอบใจไม่ชอบใจความชอบใจไม่ชอบใจนั่นก็คือธรรมะในจิตจึงอาจจะเป็นชอบใจที่เป็นติด หรือไม่ชอบใจที่เป็นหงุดหงิดนั่นก็เป็นกิเลสแต่ ว, ว่าชอบใจที่เป็นตัวปีติความอิ่มใจในธรรมความชื่นบานในธรรมก็เรื่องมาจากกุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นในจิตอินวันใดสติที่เป็นความะลึกได้ก็ได้เป็นธรรมวิจัยที่เลือกเว้นธรรมที่มันเกิดขึ้นในจิตของตัวเองนี่ที่เป็นไปอยู่ คือเป็นสติที่เป็นปัญญาดังนี้ก็เป็นกุศลนิทรมนี่เป็นธรรมวิจัยที่เลือกเฟ้นดูจับเหตุจับผลที่มันเกิดขึ้นจับข้าคอกายข้าเวทนาข้อจิตข้าธรรมนี่เป็นธรรมวิจัยเรามาถึงขั้นวิริยะความเพียรละกับเพียรอบรมจะเป็นกิเลสก็ละเสียจนเป็นราคะหรือเป็นโทสะ หรือเป็นโมหะก็ละเสียแต่ถ้าเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็อบรมรับเอาไว้อบรมให้มากขึ้นนี่ก็เป็นความเพียรวิทยะและเมื่อปฏิบัติดังนี้ก็จะได้สติได้สมาธิได้ปัญญามากขึ้นก็ขัดเกลาใจนี้เองให้ผ่องใส ปรากฏเป็นปีติความอึมเอับเป็นอมอิ่มเอ ب, เืบใจในธรรมด้ปัสสธิคือความสงบกายสงบใจมีความสุขจิตก็ตั้งมันเป็นสมาธิลีขึ้นและสมาธินี้ก็กำหนดให้เป็นสมาธิตั้งจิตอยู่ในภายในไม่ฟุ้งออกในภายนอกก็เป็นอุมเบกขาคืออาการที่จิตตั้งสงบอยู่ในภายใน ไม่ออกภายนอกเป็นอุเบกขาซึ่งอุเบกขาอันนี้สำคัญมากถ้าไม่มีจิตก็จะพุ่งออกภายนอกจิตจะออกไปตั้งอยู่ในภายนอกก็เป็นจิตพุ่งสร้างบางทีก็ไปเห็นนูน่นเห็นนี่อะไรต่างๆเ้าสมาธิดีกยิ่งจะพุ่งสร้านไปภายนอกมากขึ้น จึงต้องตั้งกิตให้เป็นสมาธิตั้งสงบอยู่ในภายในอยู่กับความสงบไม่ฟุ้งออกภายนอกกําหนดแน่วแน่อยู่ในภายในอาการที่ตั้งสงบอยู่ในภายในสว่างอยู่ในภายในไม่ออกภายนอกอาการที่ตั้งอยู่นั้นเป็นสมาธิอาการที่สงบอยู่ในภายในนั้นเป็นอุเบกขา รวมกันอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นโพชฌงเป็นสติสัมโพชฌงเป็นธรรมวิญยสัมโพชฌงเป็นวิริยะสัมโพชฌงเป็นปรติสัมโพชฌงเป็นปัจสติสัมโพชฌ ง, เ ป, ปชงเป็นสมาธิสัมโพชฌงเป็นลุมเบขาสัมโพชฌงจะเป็นอันว่าได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาดูในภายใน แล้วก็เป็นไปเพื่อปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปนี่แหละเป็นการปฏิบัติที่จะทําให้เป็นวิญโยคือเป็นผู้รู้ซึ่งเมื่อปฏิบัติไปก็ย่อมจะรู้เฉพาะตนย่อมจะน้อมธรรมเข้ามาสู่ตนคือน้อมธรรมเข้ามาในภายในเป็นสติเป็นโพชฌงอยู่ในภายในและ ก็เป็นอันว่าเรียกจิตนี่เองให้มันดูธรรมะที่ปรากฏอยู่ในภายในไม่ปรากฏการเวลาเราเป็นสัจจะคือความจริงแล้วก็รู้เองเห็นเองคือวิญยูนี่เองรู้เองเห็นเองไม่ใช่ใครอื่นต่อต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งอยู่ในทา่าในความสงบต่อไป